กาทำงานทางกายสำเร็จได้ทันใจเพราะทำด้วยมือแต่การทำงานทง า, น า, างศาสนาการประกาศศาสนาทำงานทางวาจาทงางปากมันก็ทำให้กันไม่ได้ไม่สำเร็จด้วยมือ เช่นลราจะปลูกป่าล้วปลูกด้วยมือของเราสี่ชั่วโมงแล้วแต่กําลังของเราปลูกเี่าไรก็ได้เท่นั้นปลูกหนึ่งต้นก็ได้หนึ่งต้นเราลดน้ำเบิดปลูกน้ําต้นไม้ก็ ง, งามขึ้นมาสร้างวัดสร้างศาลากติสร้างเ ส, สาก็ได้ต้นเสา ติดานติดคือก็ติดคือขึ้นไปติดหลังคามุงหลังคาปูพื้นตีฝาเล่ประตูหน้าต่างก็สําเร็จไปเป็นนันเป็นนันไปจนสําเร็จจนสําเร็จเชได้เชได้อันนี้คือทํามบานทางกาย สำเร็จไปมากแต่ว่าทำมานทางสอนทงางศาสนานี่บอกให้มีสติก็ทำให้กันไม่ได้คนที่ถูกบอกก็ทำเอาเองมือที่สองผู้หนึ่งบอกผู้หนึ่งทามาว่ใช่อยู่กับตัวเรา เวลามันหลงให้ลูกก็บอกคนที่หลงไม่ได้เปลี่ยนเป็นลูกก็ไม่สําเร็จแล้วก็คนที่หลงก็ไม่เปลี่ยนให้ลูกคนที่ทุกข์ไม่เปลี่ยนให้ทุกข์ไม่ทุกข์มันก็ทำให้กันไม่ได้ถ้ามันก็เปลี่ยนหน้าอยู่ แต่คนที่บอกไม่เปลี่ยนให้แล้วก็ไม่สำเร็จอันนี้ทางาจาแม่แต่วุ่นอยุเกมาแล้วนี่ทำงานทางวาจาสำเร็จได้ชา้าวางโอกาสก็ไม่กล้าบอกเรื่องทำไม่ได้ ให้คนอื่นทมเปลงใจบอกหนึง่งครั้งสองครั้งถ้าคนที่ถูกบอกไม่ทอมมันก็ไม่สำเร็จเฉยนเฉยเดือนเียปีไปเียเวลาเียเวลานี้ที่ออกไปว่าบูชาทองบอกให้เพราะ รถน้ต้นไม่ให้แต่กลับไปดูหวานสองหวันกลับไปก็ไม่มีใครรถให้นี่มลนวก็ใช้ค่อยสาเร็จต้นไม่ก็ไม่งามบางคนก็ถูกตายไปต้นไม่เพราะใหม่้นกล้าใหม่โครงการสามสิบปีข้างหน้า เพาะต้นยุงเลี้ยงต้นยุงหลงทุนซื้อต้นไม้มาซื้อกระถางมาซื้อปุ๋ยไปใส่เปลี่ยนตุงยางเป็นกระถางก็ว่าจะพเพาะไว้เลี้ยงไว้สักสามปีให้มันสูงเพียงหัวเนี่ย ลดทุกวันสูงได้แล้วจึงจะไดน้นำไปปลูกปลูกอีกสามสิบปีต้อนอยู่ที่ปลูกก็จะต้นเท่าต้านเสานี่จะขายต้นละห้าหมื่นบาทคิดไงนี <laughs> ้แล้วก็ใหม่โตถือว่าอีกสามสิบปีวัดป่าสรกโตจะมีเงินล้วล้านบาท <laughs> อันนี้คิดของการสามสิบปีหลวงพ่อตายไปแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังก็อาจจะพอมีเงินมีทองทำดีไปเพื่อลูกทมถูกไว้เพื่อหลานนี่ทำด้วยวาจาบางีใช่มากแล้วก็อาจจะหาว่าลาลีลำลาย พูดเท่าหลงข้อพูดเท่านี่ลำรีลำไหลเขาโตโเกีดก็เป็นยังไม่ได้เต็มที่สานบอกทำสอนทำก็เช่นเดียวกันำลำรีลำไบอยู่นี่แหละงูมวมเสาวอยู่นี่บอกให้มีสิตไปในกายี่เป็นประจำโดยรูปแบบ สอนให้ทีเดียวก็ทำเป็นแล้วแล้วก็มีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจที่มันคิดตรงนี้มันก็ที่มีบทเรียนมีงานของผู้ที่ปฏิบัติทมได้มีการกระทำเกิดขึ้นตรงนี้หรือว่ากรมมฐานคือการกระทำทาไปในกายทำไปทาใจ บางทีริ่งทีไม่ดีเกิดขึ้นที่กายริงไม่ดีเกิดขึ้นที่ใจก็จะได้เปลี่ยนเป็นลูกอย่างนี้จึงเป็นงานเป็นการที่เป็นงานศักดิ์สิทธิ์บวชํามันอื่นทำได้ก็เป็นสมบัติของผู้ทาเองแต่เป็นทรัพย์ก็เป็นอริยทรัพย์ไม่เหมือนปลูก รนโยงต้นไม้สร้างบ้านสร้างเรือนมันไม่จีรังยั่งยืนเป็นทรัพยภายนอกผูพังไปไม่กี่ปีกี่เดือนแต่ก็หมายใช่ของส่วนตัวเราเองเป็นของคนอื่นเปลี่ยนกันใช่ยี่ยงตาก็เกิดมานานพอสมควร รางบ้านหลังใหญ่ตั้งจะ่สมัเป็นหนุม่มสอบสาวที่ดาที่สวนจะไม่มีต้นไม้ทําอยู่ทํากินได้แต่ทุกวันนี้เป็นของคนอื่นไปแล้วที่แรกกเป็นแม่อยู่แม่ก็เสียาย เออแม่เสียไปก็ไม่น้องสาวน้องสาวก็ก็มีลูกลูกของเขาก็เป็นลูกผู้หญิงเขาก็มีสามีเป็นลูกเขยแล้น้องสาวของหลงตาเนี่ยม่ได้เป็นเจ้าของบ้านแล้วเอาไปลูกเขยของเขาลูกเขยของเขาก็เป็นหลานเขยของเรา เวลาเราไปบ้านก็ไม่กล้าไปดูที่เคยอยู่เต่ก่อนแม้นั่งอยู่ก็ไปทุกที่ไปดูที่นอนไปอยู่ที่เคยอยู่เคยจินเดี๋ยวนี้ก็ไปไม่ค่อยได้ไม่กล้าไปโดยซ้ำไปตัวหลันเคยก็จะหลังเตียดเระว่าหลวงตามาวนเวียนอะไรอยู่ที่นี่ก็เลยไม่กล้าไป อย่างนี้เดีย๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ของเราแน่นอนแล้วเขาคกนมันชื่อของเขาไปแล้วนาก็เหมือนกันแต่ก่อนนึกว่าของเรามันไม่ใช่ไม่เหมือนกับใบชอบภายในกาลิชับภายในนี่นด้ของตัวเองแท้เนี่ยได้ความรู้สึกตัว ได้ความไม่ทุกข์เกิดขึ้นจากความทุกข์ด้ยความไม่หลงเกิดขึ้นจากความหลงได้ความถูกต้องจากิดขึ้นความผิดที่เคยผิดบ้างบาไม่ผิดอีกแล้วอย่างเนี้ยใช่ันตายใช่ไปได้ทุกวันมีให้ใช่ทุกวันพอเห็นลูกก็ไม่หลง หูไดย้ยนเสียงก็ไม่หลงจะหมดได้กินเล่เดิโลดกายสามภพสจิตใจบัญชิีก็ไม่หลงแต่ก่อนหลง่อยแล้วก็มีสมมติเบัหญัติว่าดีว่าไม่ดีว่าชอบว่าไม่ชอบมันไปโน่นเฉยก่อนต่เห็นลูกก็ไปโน่นหูไดินเสียงก็ไปโน่นวิ่งไปไกล เดินพาไปไกลหวางดีเกิดจิตหลีตนหนือหลา่าเกิดโกตรเลอดโกตรตุเ ก, ก, กิดหลงก็เกิดสิงต่างๆเหมือนนี้มันไม่ไปมันฉลาดมันรู้สึกตัวนี่แต่เห็นตัวเองเป็นตัวเองเห็นกายเห็นใจก็เห็นเป็นรูปเป็นนาม รูปทำน้ำทำรูปมัน ก, ก็บอกถึงรูปบางเมคือลายน้ําก็บอกถึงน้ําเป็นวัตถุอาการอันหนึ่นงตากเป็นวัตถุอันหนึ่งที่มันเห็นก็มองไปก็เห็นเป็นรูปอันนี้เป็นวัตถุอาการที่เกิดขึ้นกับรูปของน้ํา แั่นไม่ใช่อะไรที่ไหนแล้วเราไปสมมูิเอาบัหยัดเอาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้สมผัสเลยทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาหรือว่าอาการความโกรธก็เป็นอาการความทุกข์เป็นอาการแต่เรานู้ว่าเราโกรธเราทุกข์ แต่ก่อนจิตใจมันดีอยู่แต่ว่าเวลามันโกรธก็ว่าใจนต่เคยใจเราโกรธเราโกรธเราโกรธต้งตามความโกรธก็เสียเปียบความโกรธความทุ ก, กนี่ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เพิ่งตัวเองก็ไา่มีใจก็พิ่งใจไม่ค่อยได้กลางคืนว่าฝันกลางวันว่าชิดลอยเลื่อยๆ ก็เลยไม่ได้ใช่ใจตามความเป็นจริงอาศัยไม่ได้หรือตามาปรึกมันไงไม่อยากคิดมันก็คิดเคยคิดอะไรมาก็คิดไปทางนั้นคนมีลูกก็คิดถึงลูกคนไม่เมียก็คิดถึงเมียคนมีอะไรก็คิดเรื่องคิดที่มันเคยชินมาเมื่อเคยไหลมาก็ได้สอนมันเนี่ย เดี๋ยวนี้มันเป็นส่วนตัวส่วนตัวไม่มีถูกแบง่งแต่ก่อนความรักแบ่งไปความชังแบ่งไปความสุขความทุกข์ความโกรธโลภหลงจืดตึนหนาแบ่งไปใช่แบบ น, นี้ไม่ใช่แล้วจริงหอนั่นนะไม่จำเป็นเลยมีชีตเป็นอิสระอย่างนี้ อันนี้แหละว่าสมบัติของเราแท้ๆจึงจำเป็นที่ชีวิตนี้มันต้องได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็เสียชตาจริงๆนะเสียเวลาจริงๆวันหนึ่งเสียไปเท่าไหร่เวลาไม่ให้ใช้เพื่อกนันนี้แต่เราไม่ได้ใช้ ให้การเวลากืนกินชีวิตไปกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ดึงไปพาไปเราเนี่ยขนถุงลูกนะจึงอยากจะบอกจะสอนเนี่ยนวเริร่มหลักเพื่อศาสตร์ซนา กูจะศาสนาศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยคนเรื่องนี้ถ้าไม่มีศาสนามันก็เป็นสัตว์ไปก็ได้คนเนี่ยมนุษย์สารดิลจฉาโนนต่อเป็นมนุษย์ต่อใจเป็นสัตว์ก็มีนะทำไมคนเดือดร้อนทำํำไมตัวเองเดือดร้อนวตัตถุอื่นเดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นผู้ผ่อนทุกอย่าง เรื่้เกิดกองทัพเกิดทุกเกิดตรหลังเกิดจตัตตาอาวุธขึ้นมาเกิดตัวบทคนหมอยขึ้นมาเพื่อให้คนได้ปฏิบัติตามมันก็ไม่อยู่พราะมันไม่มีศาสนาะ ศาสนาเจรินคือคนเราเป็นคนดีแล้วความชั่วได้แล้วทำความดีได้แล้วไม่ใช่สาสนาเป็นสิ่งอน้อนบอออกมาทำลงไปจริงๆทีกายที่จายนี่เรามีโอกากอยจางนี้เราก็ทำเรื่องนี้กันแต่ชอช้ามาก ไม่ค่อยสันใจแต่ยังไม่ท่อถอยเนาะความจริงต้องเป็นความจริงอยู่เสมอถ้าทายให้มาพิสูจน์ดูว่าจะเปลี่ยนให้ตามที่บอกเปลี่ยนร้ายเป็นดีหรือว่าปฏิบัติขยันรู้หรือว่าภาว น, นาขยันรู้เนี่ยคือภาว น, นา บาวิตาภพุทธิกถาสังมัจจันติเนี่ยก็ยันรู้ก็ยันรู้จนมันมากขึ้นมากรู้มากรู้มันก็มีสองอย่างคือความรู้ความหลงท่าความรู้มากความหลง ก, ก, ก, ก็น้อยเหมือนฉันจะหวางมากควมเมื่อก็ลดมากแต่ฉันางดีอ่อนก็จะวางน้อยมาก แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ก็รู้แจ้งโลกสติก็เหมือนกันแสงสว่างมากด้วยวิปัจสนารู้กแจ้งหมดเรี่ยงเลยสิ่งที่มีอยู่ในกายในใจในรูปในานามนี่ไม่มีที่ปิดบังอำพราไม่มีที่รับเลยเปิดออกมาให้เห็น ถ้าเห็นของเท็จของจริงมันก็ของไม่จริงมันก็ไม่เอาเที่ยงไ ป, ปนควบหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงทำไมจะไม่ที่งได้สัมผัส ด, ดูแล้วรลอยวันถูความหลงหลอกให้หลงแล้วก็มีความรู้ใช่มากขึ้นมากขึ้นทันกันมากขึ้น ความหลงมากขึ้นความลูกก็มากขึ้นมากแข่งขันคู่แข่งขันกันผลที่สดของจริงย่อมเปลี่ยนไปไม่ได้ของจริงต้องอยู่เสมอจริงอยู่เสมอมันบอกกันเองก็ไม่มีใครสอนตรงนี้เราได้สมผัตตัวเอง อยากให้มอนหลงจะได้เปลี่ยนมันให้มันจบหน้าความหลงอยากให้มันทุกจะได้เปลี่ยนให้มันจบหน้าความทุกมันสำหรับจริงๆตรงนี้ได้เปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกเนี่ยมันเป็นใชยชนะตัวเองจริงๆเนี่ ย, ยาบางคนทุกหลอไปหน้าบูดหาเบื่อไปเสียเวลาน่าเสียดายตรงนี้น่าจะเปลี่ยนใช่ชักหน่อยจะแน่เนี่ย ตรงที่มันผิดไม่เปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนได้อยู่มันรูกมก็เปลี่ยนได้อยู่ในโอกาสเดลวเวลาเราศึกษาเราปฏิบัติไปจะเห็นสิ่งเหล่านี้ให้เห็นอยู่ตลอดที่ว่าทางผ่านว่าอารมณ์การเจาะอารมณ์คือเปลี่ยนน้อยให้เป็นดีเนี่ย เห็นทุกคนเละอันทีก็ดนานแรกที่เราไม่เห็นกันนิ่งนนแล้วลทำความวาง่วงเอาหอนอนมีกันทุกคนความลังเล็สงสยัยเกิดขึ้นมาได้อะไรอะไรหาคงตอบเรื่อวาอคิดอันทีก็ด้วยเหตุด้วยผล มันไม่ใช่อย่างนั้นตัวคิดพุ่งจอดอยากคิดมันก็คิดกาา็มาละค่ะเกิดมีกาา็มีตนาหมันก็ไหลไปปฏิฆะมานะทิฏฐิยึดมั่นถือมัน่นก็ยังมีตัวมีตนอยู่กับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาออมาเป็นตัวเป็นตนหมดเนี่ย เป็นทางผ่านเป็นด่านทางผ่านกักขังไม่ให้ไปแต่ความ่วงเกิดขึ้นก็ง่วงไปเลยนอนหลับเอาอาปากหลับตาอ่อนแอไปเลยัวม่วงเกิดขึ้นอ่อนแอยกมือไม่ขึ้นตั้งตัวไม่ขึ้นหลังกดหลังงอหน้ามุกหน้าบวมไปเลย นี่เลยว่าหมันก็พอสมควรถ้าเราไม่เชื่อมแข็งไม่เสถี ด, ดีความคิดหลังเลยสงสายวันนี้ความพ่ายบาทรวัเนี้อาจจะเกิดขึ้นมาได้คิดถึงกู่ที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็คิดถึงยังไม่วหว ย, ยังไม่วางเป็น จิตใจแรกเป็นทุกตัวเองก็จะมาคิดอยู่คิดก็คิดแบบกัดตอดเหมให้เจ็บปวดความสุขของชีวิตอยู่กับความคิดนิดเดียวนี่เองเราไม่รู้มันเดโทษไปของทุกชีวิตก็คือความคิดเหมือนกันเดียวว่าสมมาทิฏฐิคิดถูกมิจฉาทิฏฐิคิดผิดเนี่ยไปคนละทาง เดียวว่าความจุก ข, ของชีวิตอยู่กับความคิดนิดเดียวเปลี่ยนให้เป็นแล้วก็ใช่ได้ผิดไปของชีวิตก็คือความคิดนิดเดียวว่าให้น้าตาไหลเกิดจากความคิดเช่นผมบังพูเขาตื่นตอนนี้ตื่นจริงๆนะเนี่ยเห็นความคิดเนี่ยทโ่ แต่อก็เฉ่ยไปกับมันอนะพอไม่เห็นเขาจริงๆมันจะอืกันเนี่ยก็เลยประกาศเลยที่เดียวว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเอาสุขวาทุกเกิดจากความคิดหยุดกันเฉียแล้วบ่เนี่ยหยุดแล้วไม่มีต่อไปแล้วชาติทั้งชาติเนี่ได้ออกมาจากจิตใจแบบนี้ประกาศตัวเองอย่างนี้ ว่าบรรยากาศตรงนี้ก็ดูกแกล้งเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจได้จริงๆตรงนี้นะต้องไปต้องไปไเห็นความคิดเนี่ยแต่ก่อนก็คิดเหมือนกันแต่มันมีสติมีโอกาสเต็มที่มันก็ได้เปลี่ยนกันได้จริงๆรเนี่ทันมันเนี่ยรู้เท่ารู้ทันหมดเลยมันทําอะไรไม่ได้แล้วมันเนี่ย ล้วก็ยิ่งใหญ่ความเป็นธรรมเกิดขึ้นความไม่เป็นธรรมก็สู้ไม่ได้ทำย่อมฉันอาจทำอยู่เสมอเห็นกับตัวเองอย่างนี้เว้นซับ อ, อ้บายซาปัยในของเราหนึ่งละไม่เสียชดระเบิดเนี่ยมีจิตมีใจก็ไม่เหลมาเป็นความจุความคิดแล้วความจุความทุกข์แล้ว จึงมีแต่บอกสอนให้ได้กินได้ฟังไว้เฉยๆเป็นทางไปเฉยๆว่าไปอย่างนี้แหละเห็นอะไรที่เหมือนทางผ่านจนลูก่แก้งเออมาเดินผ่านมาแท้ๆผ่านมาได้แท้ๆตรงนั่นเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้ ผ่านมาแต่แท้เนี่ยทำไมจะบอกคนไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนก็เหมือนกันอยู่เหมือนเราชำนานทางชำนานทางนี้มีผู้ว่าถามหน่วยงานของศาตานเขาสอบถามจำนานในทานไหนที่เป็นนบุวดเนี่ย ก็เขียนลงไปว่าสัมนานในกรรมฐานภาวนาเขียนเลยไม่ต้องกลัวไม่ติพภาผูใ้ใดหลงทิศหลงทางจะสอนอยู่นี่ละ่ะสลอชีวิตเพื่อมาบวชเพื่อการนี่ไม่ได้บวชเพื่อการอื่นขอมีชีวิตยอยู่เพื่อการนี่โดยตรงจนเท่าจนแก่แล้วก็จะอยู่ตัวไป เจนว่ามันใช้ไม่ได้ดอนละ่ะกันหน้าพังตล อ, อดเมื่อใดก็ทิ้งมือนั่นก็ไปหยุดเมือนั่นนะเพราะว่าของจริงหนึ่งมันทิ้งไม่ได้มันยังมั่นใจอยู่เสมอมีคนมีอยู่เมื่อไใดก็จะสอนคนเนี่ยแล้วคนไม่มีก็จะไปหาคนอยู่ที่ไหนก็จะไปที่ น, นั่น ขอบคุณที่พวกท่านทั้งหลอยมาใช้มาปฏิบัติทำในรู้สึกว่าขอบคุณมากก่อที่จะได้ไม่หลักมีที่พึ่ง ม, มีงานทำแตจเดี๋ยวนี้ก็แรงก็น้อยถอยลงมาวันนี้ก็ทําไม่ค่อยค่อยไหวเสียงก็ไม่ค่อยจะไม่หมูก็หนวกไม่ค่อยจะดวก ในการสอนไม่เต็มที่อยากไปสอบบาลมนักปฏิบัติไปเยี่ยมถามแต่แล้วบันแต่เวลาไปถามเขาพูดก็ไม่ค่อยได้ยินเลยขาดตกบกพ้่องในงานขึ้นนี่ไปการสอนธรรมะเนี่ ต้องได้ข้อมูลเป็นปัจจุบันแล้วก็ไปบอกไปเทศเวลาเทศตอนเช้าตอนเย็นเอาข้อมูลนี่มาสแสดงอะไรข้อมูลจากผู้ปฏิบัติ4ีคนหน้าคนก็ได้เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัตตังแต่แล้ห ว, วันไปผู้หวังก็จะเข้าใจ เอเานี่ก็สุม m โอไม่ได้ข้อมูลอะไรหนอ ok. กแต่ว่ารู้จักทิศทางไปนี่แล้วก็ไปนเลยบุกทางไปเลยใช้เวไปเลยจีเช่นในผู้ที่เดินตามไปเลยถ้าผู้ทํา ท, ท, ท, ท, ทําตามคำบอกเนี่ยก็ไม่ต้องสอนอะไรกันมากตัวเขาจะสอนตัวเขาเอง ผิดก็เขาจะสอนเขาให้ถูกทุกข้อเขาขอสอนเขาไมา่ทุกไปเองเราปฏิบัติทำก็เหมือนกันหลวงพ่อเถียนก็ไม่ค่อยไดยุ่งขายากด้วยทำเอาเองผิดก็ผิดอยู่นั่นนะสู้ไว้เรื่อยไปทุกข์ก็ทุกขอ์กขอยู่นั่นสู้ไม่ได้ขวนขั ง, ขงไม่ได้ท้อถอย เพมันเต็มไปด้วยศรัทธาเป็นความมั่นคงสมัยเป็นนักปฏิบัติใหมใยศรัทธาพามาจริงจิงศรัทธาพาธรรมไม่ใช่คิดภาธรรมศรัทาพาธรรมความเพียรพาธรรมสติพาธรรมสมาธิพาธรรมปัญญาพาธรรม สิทุโลธรรเนี่ยก็เป็นศาล่าเป็นประโยชน์มีกายก็มีกายจริงๆมีใจก็มีใจจริงๆปัญหาเกิดขึ้นที่กายที่ใจจริงๆก็ได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่กายจริงๆเนี่ยก็มีปัญญาดูเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ไม่ใช่งูไม่ใช่ถูกหลอกแต่มีจิตท่าว่ามันเปลี่ยนได้มันทําได้ มีแบบอย่างพุทธเจ้ามีจุจริงพระอาหารหันต์มีจริงครูบาอาจารย์ก็มีจริงหลวงพ่อเทียนก็อยู่นี่นะับถอยหลังไปสองพันหร้อยปีก็มีจริงนะับถอยหลังไปร้อยปีก็มีจริงนะับปัจจุบันก็มีจริงอรูบาอาจารย์ก็หลวงพ่อเทียนก็พาตําวัดเทศนาให้ฟังทุกวันตอนเช้าตอนเย็น มีได้จริงได้เห็นจริงได้สัมผัสจริงจากคาพูดจากบอกจากรูปจากตัวจริงแต่ก็สอนต้องทําให้ดูต้องพูดให้ฟังต้องอยู่ให้เห็นแล้วก็เห็นอยู่จริงเนี่ยแล้ก็ไม่ใช่งูอะไรมุมมุมส่ อ, มอสสไม่ใช่อย่างนั้น แล้วก็ทําตามที่ท่านบอกมันก็ทําได้มันก็มีประโยชน์จริงๆอย่างเนี้ยได้เล็กได้น้อยไปเนี้ยรู้วยจุกเขียนมันหลงด้วยจุกเขยนเป็นรูปขึ้นมาก็ประกอบกับความเบียนเคลื่อนไหวมือสติรูปขึ้นทวนไหวเนี่ยมันใช้ได้อาใสยการเคลื่อนไหวเพื่อกระดุ้นความรู้จักตัวมันไม่มากมีแรงขึ้นมา ที่ตั้งของกากระทำเหมือนเรายืนใ้ที่ดีดกฝันไมมมันก็มีแรงฝันหวงหลงมันก็มีแรงความรู้ฝันแป๊บเดี๋ยวกหยุดไปแล้วแต่ความรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาละเท่านี้ก็พอแล้วนะวันนี้เนาะถึงควรใจเวลากับพระพร้อมกัน